เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะส่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางคณะสิทธิวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวันนี้ขอนำเสนอชีวประวัติ ของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเนื่องในวโรกาสที่ได้รับพระาชทานสมณศักดิ์พัยยศแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชินนามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้คณะสิทธิในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะขอนำชีวประวัติซึ่งมีธรรมะ ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติหรือเป็นข้อคิดสกิดใจให้แก่สาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับทราบและเห็นแนวทางของแบบอย่างที่ดีของประเดศประคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์แก่สาธุชนจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังประวัติของประเดศพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ซึ่งนำเสนอโดยลูกศิษย์นามว่ายานรัตนะขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังพร้อมๆกัน ชีวิตของคนเราย่อมมีภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดที่แตกต่างกันไปใครจะรู้บ้างว่าเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2472ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของคุณพ่อทองดีคุณแม่บุญนาคพลพัฒนาริศได้ให้กำเนิด บ, บุตรคนที่สี่เพศ ช, ชายมีชื่อว่าเสริมชัย จะเป็นบุคคลที่ไม่เคยท้อแท้ในการทำประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นในบวมพุทธศาสนาและได้เป็นผู้สืบทอดวิชาธรรมกายในเวลาต่อมาการได้มีโอกาสนำประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้สร้างคุณความดีออกเผยแพร่ ย่อมเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนที่ได้ยินได้ฟังได้รับรู้ให้เกิดพลานุภาพแก่ผู้ที่ได้ฟังให้มีกำลังใจมุ่งมั่นที่จะดำเนินรอยตามแบบอย่างของความดีเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทำความดีเพิ่มขึ้นในสังคมดังจะขอนำตัวอย่างของพระภาวนาวิสุทธิคุณ มาเล่าขานให้ท่านได้ฟังดังต่อไปนี้หากจะเอ่ยนามพระภาวนาวิสุทธิคุณคงไม่เป็นที่คุ้นหูผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากนะักเพราะคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับชื่อของท่าน ที่เรียกอย่างสนิทสนมว่าหลวงป่าหรือหลวงพ่อเสริมชัยหรือหลวงตาหรือหลวงพ่อเจ้าอาวาสกันเสียเป็นส่วนใหญ่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยมีประวัติการศึกษาเล่าเรียนในระดับมัธยมที่โรงเรียนบุรีลำวิทยาลัยเมื่อเรียนจบได้มาต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา ที่โรงเรียนราชสีมาต่อจากนั้นได้เข้าศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาลัทธภาษ า, าศาสนศาสตร์เกียรตินิยมดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพุทธศักราช2508ต่อมาท่านได้เข้าทำงานที่สำนักข่าวสารอเมริกัน ของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำกรุงเทพในระหว่างที่ทำงานในปีพุทธศักราช2512ท่านได้ศึกษาต่อหลักสูตรระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์จาก Institute of Social Research University of Michigan Ann Arbor รัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จหลักสูตรผู้จัดการ ระบบงานเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาท่านได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวารสารศาสตร์ในส่วนการศึกษาทางธรรมะนั้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้เริ่มต้นศึกษาจากพระไตรปิฎก และหนังสือธรรมะของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายจนกระทั่งได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญจากพระวิปัสนาจารย์และอุบาสิกาหลายท่านในต่อมา ได้เข้ากราบถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเถระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำภาสีเจริญซึ่งหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเถระองค์นี้